ต้นตอสู่แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแไ่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา นำสู่าการศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันาถาศรัทธาบัง เป็นความภาคภูจากรู้ว่ามวงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำ ความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้นอมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา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 จีนแล้วครับนะกับกระจายกันไปทั่วโลกนะครับซึ่งรวมทั้งไทยเราไทยเรานี่ตอนนี้นี่อยู่ในอันดับ3นะครับนะตอนแรกในอันดับ2ก็อันดับ3มีไต้หวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเรานะครับนะซึ่งก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะจากการเปิดเผยบอกวันที่29 29กาามกราคมเนี่ยบอกว่ามีการเสียชีวิตนะมียอดเสียชีวิตกันอยู่ที่132ราย นะครับแล้วก็มีการติดเชื้ออยู่ในจีนนี่ก็ประมาณ 5,900 รายนะครับแล้วก็มีผู้สงสัยติดเชื้ออีกเก้ารายแลก็เป็นจากรายงานของสํานักข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็มีมาตรการป้องกันกันนะครับและนอกจากนี้ในการระบาดไปสู่ประเทศต่างๆมีบอกว่ามีอยู่17 16ประเทศนะครับที่ติดเชื้อไปนะครับมีทั้ง ไต้หวันนี่8รายนะครับสิงคโปร์เจมาเลเซีย7ญี่ปุ่น6นะครับออสเตรเลีย5สารัตหาเกาหลีใต้4ฝรั่งเศส4เยอรมัน4เยอรมันแคนาดา3เวียดนามนี่คนนะครับนี่ปาน1รายกัมพูชา1รายสีลังการนและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรต1์รายก็กระจายกันไป ก็เป็นเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวแะครับนะทั้งคนจีนไปท่องเที่ยวอย่างประเทศต่างๆหรือประเทศเหล่านั้นนี่นะมีคนมาติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวในจีนก็จะรับเชื้อไปนะก็กระจายกันไปเพราะนั้นนี่ตรงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนี่ก็คงจะต้องมีการเข้มงวดโดยเฉพาะแถวสนามบินนะครับเนะพราะในตรงนี้นี่ก็หลายๆชาตินี่พยพคนของตนเองออกจากเมืองอู่ฮั่นนะครับ ญี่ปุ่นนี่เป็นชาติแรกนะครับส่งเครื่องบินเหมาลำไปรับคนญี่ปุ่นนะซึ่งรับมาแล้วสองร้อยกว่าคนนะครับนะกลับไปที่กรุงโตเกียวส่วนของไทยเรานี่บอกว่ารอทางการจีนอนุ ญ, ญาตนะจะต้องส่งเครื่องบินพละเลือนนะไปไปไปรับนะคนไทยในในเมืองอูหฮั่นเนี่ยกลับออกมานะครับแต่ส่ว น, นตรงนี้คงจะต้องดู นะครับแต่ก็คงจะต้องเร่งะครับเพราะว่ามีการแพร่กระจายกันแล้วก็การป้องกันการพัฒนาวัคซีนสู้ไวรัสโคโรนาันนี้ก็ในส่วนของออสเตรเลียนี่บอกว่าทำสำเร็จนะเพิ่งทำสำเร็จผลพบแล้วนะครับจากนายจูเลียนรูสผู้อำนวยการฝ่ายห้องหลับสถาบันปีเตอร์ของออสเตรเลียนะครับก็บอกว่ามีการ พัฒนาการเพราะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในห้อง l a บนะครับแล้วก็ต่อยอดแล้วก็จะพัฒนาเป็นวัคซีนก็จะส่งตัวอย่างให้กับองค์การอนามัยโลกรับรองนะครับแต่เนะพื่อจะพัฒนาต่อไปนะครับว่าอย่างนั้นนะครับนะก็ถ้าทําสําเร็จก็จะทําให้การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยจะลดลงไปนะก็จะใจช่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะ ก็จะทำอย่างไรกันบ้างในในส่วนของของจีนนี่ก็เห็นว่าจะเร่งสร้างโรงพยาบาลนะซึ่งมีความจุ 1,000 พเตียงสร้างกันได้รวดเร็วแล้ ว, ลว 000. บอกว่าจะสร้างกันภายใน7วันเนี่ยหรือ10วันนีก็จะแล้วนะโรงพยาบาลอาคารขนาดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าอ่ากรองค์กรที่มาสร้างโรงบาบาลนี่ก็น่าจะอ่ มีประสิทธิภาพสูงนะครับใน10วันในสร้างโรงพยาบาลสำเร็จนะครับเพราะฉะตรงนี้นี่คงจะต้องดูต่อไปส่วนนายกงตรีนี่บอกว่าไปตรวจการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่สนามบินสวนภูมินะครับไปตรวจกันไปเมื่อวันที่29เนี่นะครับนายยงตรีไปตรวจงา น, นกับเขาเรียกว่าดานควบคุมโรคที่ สนามบินสวนภูมินะซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกและรัฐมนตรีสาสุขเนี่ยติดตามไปด้วยมีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะก็ไปให้การต้อนรับนะครับก็มีการไปดูนะครับว่าทำไมมาตรการของเราก็ได้มาตรฐานนะครับด่มาตรการในการควบคุมการกรองจุดคัดกรองต่างๆคงจะต้องมา เข้มงวดในในส่วนของสนามบินในต่างจังหวัดนะครับนะพอหลายหลายจังหวัดนี่มีเครื่องบินเหมาลําตรงมาจากจากจีนนี่คงจะต้องดูมีมีจุดที่จะต้องคัดกรองนะครับเพราะเพราะสำคัญเหมือนกันนะครับนะซึ่งซึ่งตรงนี้มีหลายหจังหวัดนะครับที่ทางรัฐบาลนี่ก็เฝ้าระวังกันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่บอกว่ามีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่78คนก็บอกว่ารักษาหายไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็กําลัง เฝ้าดูอาการนะคงจะต้องดูนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมารับฟังเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนานี่นะครับเป็นวครับ แสนไกลคิดถึงกันบ้างไกลสุดตานนองนานอย่าจางรักกันจงเก็บใจไว้รอรออย่าลืมสัมพันธ์ถึงไกลกันสัญญาจากกันเพียงแค่กายแต่ใจ คุยกันต่อนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะตั้งรับโรคนี้ในแพทย์ธนรักน์ผลิพัด์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ก, ก็เปิดเผยบอกว่าในประวัติศาสตร์ในการรับมือกับ โรคระบาดนะกับข้ามประเทศเนี่ยก็อาจจะจยังไม่ต้องถึงขั้นปิดประเทศนะครับห้ามคนเข้าคนออกแต่ว่าก็จะต้องมีจุดกันกลองให้ดีนะครับก็เราตั้งรับกันมาแล้วตอน น, นี้เสนอแน่ก็คือชาวบ้านนี่ก็ให้ใหอยู่ในชุมชนถ้าไม่สบายนี่หยุดพักได้นะครับอยู่กับบ้านนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไม่ควรออกไปแพร่เชื้อโรคนะครับแต่ก็คือ ตอนนี้นี่ถ้าทํางานอยู่ที่บ้านใดก็จะดีก็จะเห็นว่ามีมีบางแห่งน่ะถ้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่สบายให้อยู่บ้านได้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมีมาตรการนี้ออกมานะครับท่านักศึกษาเจ้าหน้าที่ไม่สบายก็พักได้14วันนะครับเขาเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็ในส่วนของในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริฐาวรซึ่งเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า ก็อยากจ ะ, ะต้องที่มันป้องกันได้ก็คือมันล้างมือบ่อยๆเรืหลีกเลี่ยง ก, ก, ก, การนํามือไปขยี้ที่ตาที่จมูกนะครับแล้วก็มีการใส่ใส่หน้ากากนั่นแหละครับป้องกันนะเพราะฉะนี้ก็จะช่วยได้มากนะกี่ยก็มีบุคลากรในหลายๆส่วนเนี่ออกมาช่วยรณรงค์นะครับช่วยกันแนะนําประชาชนนะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้า ถ้าไม่ให้มีการเดินทางหรือไปอยู่ในที่ชุมชนนะครับมีหลายคนนะมีสื่อที่หลายสื่อก็แนะนําบอกว่าใ น, ในห้างสรรพสินค้าหรือในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจีนมากอาจจะต้องหลีกเลี่ยงล่ะครับนะห้า ง, งสรรพสินค้าหรือว่าจุดท่องเที่ยวที่ที่ชาวจีนนิยมไปไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องหลบเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ติดเชื้อกันกันขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ถือว่านข่าวไวรัสโคโรนานี่ตื่นตัวกันกันมากนะเราจะเห็นว่าบทบาทของสื่อโซเชียลนี่มีมีสูงนลครับนะมีข้อมูลมีคลิปไปอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องมีการกันกรองนะครับนะถ้าเป็นเฟซนิวนี่ต้องอาจจะไม่เผยแพร่ต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องช่วยช่วยกันดูในขณะที่ เราต้องมาแก้ไขกันอีกหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรงก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะอะไรต่างๆเราดีก็คงจะต้องพยาดามที่จะช่วยกันเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากกันไปได้นะครับช่วง น, นี้มีประเด็นกันเข้ามาหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อมีเกี่ยวกับเรื่องกระแสของ ไวรัสโคโรนาเข้ามาก็จะกระทบเหมือนกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของออการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้องลดลงนะฮะจะต้องไปไปพัฒนาไปไปเสริมด้านด้านอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องช่วยกันในหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนะในในช่วงนี้กันไปได้ทั่วโลกนี่ก็มีมาตรการต่างๆกันออกมากันหลากหลายแล้วนะครับในการตั้งรับ เอาไว้รัตัวใหม่ก็คงจะต้องช่วยกันดูแลสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่กันนะครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนานต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ จะได้ฟังจากปากเธอนั้นอยู่เสมออยาให้พี่ลงคอยคำรักจากเธออยาให้พี่พรำเพอาคอยเก้อจนนอนไม่หลับก่อนนอนละฝันคิดถึงกันสักสามนาที หลับตาลงนอนฝันดีค่ำคืนนี้น้องอย่าลืมลง mm hmm. เก็บความสุข้องเรามีรักมั่นคงหากว่าเธอสื่อตรงก่อนจะนอนอย่าลืมสัญญาสัญญาสัญญาก่อนนอน ตรวจหมดแล้วกราบมองก่อนจะนอนท่องคำสัญญาว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลิกราหมดดินหมดฟ้าไม่อาจมารารกรักเราไปก่อนนอนอยากถามเห็นข้อความพี่ส่งเรือยง ก็อ้ายเสียจังว่ามนดข้างปักรูปดวงใจพี่นอนกอนึกถึงหน้าน้องพองใสก่อนจะนอนหลับลายเข็บต่อไปนอนฝันละเมอ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 ความพี่สรงหรืองอยากอก็อายเสียจังว่ามนค้างปักรูปดวงใจพี่นอนก็นึกถึง น, น้าน้องพองใสก่อนจะนอนหลับไหลเก็บต่อไปนอนฝันละมา